เริ่มต้นด้วยสุภาษิตสั้นๆนะครับ น, บนี่จากธรรมสังคณีนะครับอธิบายเรื่องขันติครับท่านบอกว่าขันติเป็นชนหนความอดทนกริยาที่อดทนความอดกลั้นนี่เห็นว่า ขันติถ้าเราถ้าเราถ้าเราคิดแค่นี้นะั่นดีอย่างนี้นะความอดทนแม้เรานึกถึงความอดทนนียครับมันคึ ก, ค, กคึกในใจไหยเวลาเราต้องอดทนอะไรทั้งอย่างนี้เนาะความอดทนกิริยาที่อดทนความอดกลั้นแล้วจริงๆมันเป็นยังไงดูนะความไม่ดุร้ายความไม่ปากไรความแช่มชื่นแห่งจิตนี่เรียกว่าขันติ นะที่ข้อความนี้ผมชอบใจเพราะว่าตรงที่ว่าเราตัวที่จะวัดความอดทนเนี่ยนะเราจะวัดตัวเราว่าเรามีความอดทนยังไงหรือว่าเราดูผู้อื่นว่าเขามีความอดทนแค่ไหนเนี่ยนะถ้าหากว่าดูความอดทนเขาก็ไม่ค่อยเห็นกริยาที่อดทนเขาก็ไม่ค่อยเห็นความอดกลั้นเขาก็พอเห็นความไม่ดุร้ายก็ยังพอดูได้นะแต่ความไม่ปากร้ายนี่เออแม้มันเห็นชัดจริงๆเลยนะ ถ้าผู้ใดปากร้ายแสดงว่าผู้นั้นขาดความอดทนแน่นอนพูดได้เลยเราด้วยนี่เป็นมีเตอร์วัดอย่างดีเลยนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าความไม่ปากร้ายนี่นะแต่ว่าใจมันคึกึกกึกอยู่ก็ได้นะใจมันโกรธอยู่นะไม่มีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าปากไม่ร้ายอย่าพึ่งว่าเป็นอดทนนะตอนท้ายนี่ท่านบอกว่าความแค้มชื่นแห่งจิตนี่ตรงนี้ใช่ไม เพราะว่าเรื่องความอดทนนี่นะมันมันเป็นอาโทสะมันเป็นเมตตาด้วยเพราะนั้นสองตัวท้ายนี่ผมชอบใจนะตัวแรกคือความไม่ปากร้ายถ้าผู้ใดปากร้ายบอกได้เลยว่าผู้นั้นขาดความอดทนโอ้ยร้อนละเกินอะไรเงี้ยแม่ไกลละเกินเราเดินทางนะครับโอ้ยมเมื่อไรจะถึงหิวละเกินจิตเนี่ยนะมันต้องเป็นเรื่องของกุศลละนะเพราะมันเป็นกุศ ล, ลจิตนะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าความอดทนจิตนั้นต้องเป็นกุศลอืความอดทนนี้เป็นธรรมะพวกเมตานั่นเองนั่นนะเพราะว่าองค์ธรรมของคันติก็ได้แก่อโทสะเจตสิกเป็นเรื่องของเมตานั่นเองข้อความที่ยอมผู้การเอามาจากนิเคปการธรรมสังคีณีก็ชัดเจนดีแล้วเนอะ